อที่ต่อไปเป็นเวลาของการปฏิบัติธรรมวันนี้ข้างนอกเป็นการฉลองเทศากาลลอยกระทงส่วนในวัดเราก็ปฏิบัติตามกิจกรรมปัจจำวันพระของพวกเรา การปฏิบัติธรรมนะขณะนี้เรียกว่าจเจริญภาวนาสมถภาวนาวีปัสนาภาวนาก็คือทําใจให้สงบไม่แพ้ซ่านออกไปทำกระแสของโลกแล้วก็ทําจิตให้ผองไสด้วยอํานาจของ สติปัญญาในการพิจารณาธรรมวันนี้จะพูดเรื่องของการลอยเนื่องจากเป็นวันลอยกระทงถ้าตามคติชาวโลกเขาก็ถือว่าลอยกระทงบูชาพระแม่คงคาเพื่อขอขมาแม่น้ำที่เราได้ใช้สอยดำรง ชีวิตชำะระล้างสิ่งสกปรกต่างๆใี้ดื่มที่กินอาศัยพ่อแม่คงคาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเราได้ทำความสกปรกทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆลงแขกแม่น้ำก็ขอขมาลาโทษในวันนี้อันนี้คติทางโลกทีนี้คติทางธรรมของเรา เราก็พูดเรื่องของการลอยเหมือนกันเราเรียกว่าการลอยบาปบาปนั้นคือความเศร้าหมองทางจิตใจหรือจะเรียกว่าเป็นความชั่วเป็นความลามกเป็นความสกโปกที่ทําให้จิตใจของเราขุ่นคล่องเศร้าหมองส่งผลมีบาปเป็นความทุกข์ ความทุกข์กายความทุกข์ใจความทุกข์ในภพนี้ความทุกข์ในภพหน้า<ม>ล้วนเกิดมาจากบาปที่เรากระทำลงไปแล้วการเกิดขึ้นของบาปนั้นก็เพราะเหตุแห่งกิเลสในใจของเราอกุศลลมูลสามคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ประจาใจของเรา มีรักเงาเกิดมาจากความอยากมีรักเงาเกิดมาจากความไม่รู้มีรักเงาเกิดมาจากความยึดมั่นถือมัน่นในใจของเราเป็นเหตุให้เกิดการกระทำทางกายทางวาจาทางใจที่ผิดต่อหลักธรรมของสังคมของพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไปอย่างการทำชั่วทางใจคือการนึกคิด อาฆาตพยาบาทหรือว่านึกจากได้ของเขานึกในทางเบียดเบียนหรือว่านึกในทางเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เรียกว่าเป็นบาปทางใจบาปทางวาจาก็คือการทําผิดในศีลทางวาจาได้แก่มุสาวาทาการพูดโกหกพูดคําหยาบ พูดส่อเสียดพูดเพอร์เจอร์พูดเลวไหลอย่างนี้พูดคำหยาบก็คือํำไม่ไพเราะคนทังแล้วก็ไม่ชอบใจพูดโกหกคือพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงพูดสอเสียดคือพูดให้เขาทะเลาะเบาแหวงให้เขาแตกแยกทะเลาะกันพูดเลวไหลคือพูดไม่เป็นสาระเอาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาพูดไป อย่างนี้ส่วนการทําชั่วทางกายก็คือการผิดศีลตั้งแต่ขอ้อทําร้ายร่างกายกันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่ามนุษย์อย่างนี้หรือว่าลักขโมยสิย่งของที่ไม่ใช่ของของตนเอามาเป็นของของตนเบียดเบียนเอามาปนเอามาหรือว่าการประพฤติผิดในทางกามที่ไม่ใช่เมียของตนก็ ไปร่วมประเวณีอย่างนี้เรียกว่าผิดทางการมีสุมิชาจารย์อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าบาปทางกายทางวาจาทางใจที่นี้การลอยบาปเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยพวกพราหมณ์เนี่ยเขาลอยบาปเขาจะมีวันลอยบาปในวันอุโบสถอุโบสถก็อย่างนี้แหละคือวันเพน็ญวันเดือนดับ เขาจะนุ ia, ่งผ <es> ้าไหมถือยาคาลงไปในแม่น้ำส่วนมากก็เป็นแม่น้ำคงคาก็เอาน้ำลดหัวมุดจมล้างออกกะว่าให้พระแม่คงคานั้นรับเอาบาปของตนลอยไปอย่างนี้จากนั้นก็มีการบําเือไฟเป็นว่า เตรียมลานเอาขี่วัวมาทาลานให้ดีแล้วก่อไฟขึ้นบำเรอไฟให้อิ่มน้ําด้วยน้ํามันด้วยเนยใสในยข้นบำเรอไฟเสร็จแล้วก็บำเรอพามคือเลี้ยงดูพรามให้ดนะีจากนั้นก็กล่าวกับไฟว่าขอท่านผู้เจริญจงรับเอาบาปของข้าพเจ้าให้รับเอาบาปไปแล้วให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ก็อาศัยว่า ให้ไฟทำให้บริสุทธิ์ซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องภายนอกจากจิตใจเพราะว่าเขาเชื่อเรื่องเทพเจ้าอย่างนั้น mm hmm. ก็มีเรื่องในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าสเสด็จไปไปเจอพรามกำลังอ mm hmm. าบน้ำล้างบาปอย่างนี้แหละแล้วพระองค์ก็ถามว่าพรามกำลังทำอะไรพรามก็บอกว่าข้าพเจ้ากาลังชาระบาปพระองค์ก็เลยถามว่า ทำอย่างไรบ้างอรรมเชื่อโสโนุสานีอันนั้นแหละทามก็บอกตามที่อาตมาพูดไปเองก็คืออาบน้ําแล้วก็บําเรย์ไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอยากรู้การล้างบาปในอริยบินยัยไหมทามก็บอกว่าอยากรู้ในอริยบินัยนี้ล้างบาปทาอย่างไรพระพุทธองค์จึงทรงสแสดงวิธีล้างบาปหรือวิธีลอยบาป วิธีลอยบาปในอริยวินัยของพระพุทธเจ้าหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นว่ามิจฉาทิฐิมีโทษมากทั้งในภพนี้และในภพหน้าเมื่อพิจารณาเห็นโทษของมิจฉาทิฐิแล้วจึงลอยมิจฉาทิฐินั้นคือปล่อยวางไม่เอา มิจฉาทิฏฐิคืออะไรก็คือการเห็นผิดจากความเป็นจริงอย่างเห็นผิดจากอริยมรรคเห็นผิดจากอริยสัจ ส, สีเห็นตรงกันข้ามกับธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีหรือว่ากรรมคือการกระทำไม่มีผล อย่างนี้เป็นต้นเพราะพุทธเจา้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีอย่างนี้นะมิจฉาทิฏฐิหรือที่เห็นว่าคนเกิดมาตายแล้วสูญหรือว่าตายแล้วต้องกลับมาเกิดเป็นคนอีกเท่านั้นสัตว์เคยเกิดเป็นอะไรตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นสิ่งนั้นอีกอย่างนี้เรียกว่าสัสถาทิฏฐิอ อุเฉทธทธิฐิก็คือพวกที่ตายแล้วสูญเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องเป็นวิพัตชวาทีคือแบ่งตามเหตุตามปัจจัยการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้ว่าจะขาดสูญทันทีเดียวได่ได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปแต่ขึ้นอยู่กับเหตุ และปัจจัยที่สัตว์นั้นกระทําถ้าสัตว์ใดยังมีเชื้อในใจอยู่คือมีกิเลสหลบกดลงมีทัณหาอุปทานก็ต้องกลับมาเกิดอีกแต่จะเกิดเป็นอะไรนั้นก็คือแบ่งไปตามอํานาจของบุญและบาปที่ตัวเองทำถ้าสัตว์เหล่านั้นชํนาระจิตของตนจนไม่มีกิเลสแล้วการเวียนไว้แต่เกิดก็ไม่มีอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ตามหลักของพระพุทธเจ้าถ้าว่าโดยหลักปริยัติก็คือรู้เห็นในอริยสัจ ส, สีรู้ว่ามีทุกข์มีสมุทยัยมีนิโรธมีมรรคคือเห็นอริยสัจ ส, สี่เรียกว่าเป็นสมมาทิฏฐิทีทนี้ผู้ที่พิจารณาว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันมีโทษมากโทษในปัจจุบันโทษมากอย่างไรถ้าคนเห็นว่าเกิดแล้วตายแล้วไม่มี ชาติพบต่อไปเนี่ยเขาก็ไม่ต้องทำความดีก็ได้ก็คือว่าใช้ชีวิตในปัจจุบันให้เท็บสุขอย่างที่สุดจะฆ่าคนฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรก็ไม่มีบาปไม่มีบุญพ่อแม่ก็ไม่มีคุณเพราะการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอย่างนี้เรียกว่าไม่ฉาิทิฐิมันก็มีโทษมากเพราะว่าทำตนเองให้เดือดร้อนแล้วทาคนอื่นให้เดือดร้อนเมื่อพิจาราเห็นโทษอย่างนี้ ก็ละทิงท้งกิตินั้นเสียอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าลอยบาปตัวที่หนึ่งลอยบาปตัวที่สองรรพิจารณาเห็นว่ามิจฉาสังกปะมีโทษมากทั้งในภพนี้และภพหน้าจียง้อยมิจฉาสังกปะนั้นสังกปะคือความดําริดําริอย่างไรเรียกว่าเป็นมิจฉาดาริในทางกามคือ ถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงสัมผัสถึงธรรมอารมที่ชอบใจที่ทำให้หลงไหลเป็นเหตุให้เกิดความอยากนะกรรมวิตกพยาบาทวิตกคือคิดในทางเบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าอากุศลวิตกนัเนี่ยมิจฉาสังกับปะทีนี้ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุเป็นความทุกข์เราก็ละออกลอยไปทิ้งไป ทีนี้ก็มิจฉาวาจาภิกษุพิจารณาเห็นว่ามิจฉาวาจานี่คือที่พูดไปแล้วนั้นคือพูดเทศพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพื่อเจ้อพูดอะไรเนี่ยมันมีโทษทั้งต่อตอนเองและต่อบุคคลอื่นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นก็ละทิ้งคําพูดที่มันผิดเหล่านั้นเสียเรียกว่าลอยไปมิจฉากรรมมันตะ ภิกษุในธรรมนนี้พิจารณาเห็นว่ามิจฉากรรมมันตานี้มีโทษมากทั้งในภพนี้และภพหนา้ามิจฉากรรมมันตาคือการงานการประกอบอาชีพที่ผิดคือการกระทำที่ผิดกรรมมันตา่าก็อย่างเช่นว่าการลักขโมยการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นนั่นแหละที่มันผิดในศีลนั่นนั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในปัจจุบันก็ละทิ้งออกไปแล้วก็มิจฉาอาชีวะ พิจารณาว่ามิจฉาอาชีวะนี้คือการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดเป็นเหตุให้เกิดโทษทั้งในภพนี้และภพหน้าจึงทิ้งออกไปมิชฉาอาชีวะคืออย่างเช่นว่าการประกอบอาชีพที่ผิดเช่นค้ามนุษย์ค้าอาวุธค้ายาเสพติดหรือว่าค้ายาพิษค้าอุปกรณ์ ดักซัดนี่เป็นต้นมันเป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นท่านก็ให้ละละออกไปลอยทิ้งออกไปถือทิ้งบาปออกไปมิจฉาวายามะคือความเพียรที่ผิดภิกษุในธรรมนี้ในนี้พิจารณาเห็นว่ามิจฉาวายามะมีโทษมากทั้งในภพนี้และภพหน้าพิจาราเห็นแล้วจึงลอยมิจฉาวายามะเสียมิจฉาวายามะคืออะไรปกติสัมมาวายามะ คือเพียรเพื่อจะละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรที่จะไม่ให้บาปนั้นเกิดขึ้นอีกเพียรที่จะทำกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรที่จะรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วส่วนมิจฉาวิมมะก็คือตรงกันข้ามกันอย่างเราพยายามที่จะไปทาบาปทากรรมความพยายามนั้นก็เป็นความพยายามที่ผิดไม่เกิดประโยชน์ทีนี้ มิจฉาสติภิกษุในธรรมในนิพพยานเห็นว่ามิจฉาสติมีโทษมากทั้งในภพนี้และในภพหน้าคือการละลึกผิดนะพระพุทธเจ้าบอกเราว่าให้ละลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมแต่เราไปลึกถึงเรื่องอื่นและลึกถึงสิ่งอื่นเช่นว่าเราลึกถึงงานที่ว่าเราจะไปฆ่าคนเราจะไปลักชับลึกอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคต ที่ไม่เป็นปัจจุบันหรือว่าคิดอยู่ในอารมณ์ที่เป็นความทุกข์ใจที่มันผ่านมาแล้วแต่เราไม่อยู่กับปัจจุบันดริผิดออกไปโน่นคือมันไม่ตั้งอยู่ในเนี้ยไม่ตั้งอยู่ในกายเวทานาจิตธรรมไม่อยู่ในนี้ไปอยู่นอกอื่นนั่นก็เป็นเหตุให้เป็นทุกข์ก็ลอยทิ้งเสียความประพฤตินั้นสุดท้ายมิจฉาสมาธิภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ที่จะได้เห็นว่ามิจฉาสมาธิ มีโทษมากทั้งในภพนี้และภพหน้าแล้วก็ลอยมิจฉาสมาธินั้นเสียมิจฉาสมาธิก็ตรงกันข้ามกับสมาสมาธิสมาสมาธิก็คือสมาธิที่เป็นไปเพื่อการละทอนปล่อยวางกิเลสสมาธิที่เป็นไปเพื่อก่อกิเลสก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างสมาธิของพวกฤาษีโยคีหรือว่าคนที่เขาทํศิลปศาส เพื่อจะไปฆ่าคนไปทำร้ายคนอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิหรือสมาธิที่ไม่เป็นไปเพื่อการละถอนไปวางกิเลสถ้าเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นต้องเป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารณ์มีปิติมีสุขมีเอกขตาแล้วก็มีอุบเบกขาเป็นที่สุดก็คืออยู่ในองค์ของฌานนั่นแหละและมิจฉาสมาธินั้นเสียแล้วเรียกว่าลอยแบบนั้นออกไป แล้วก็ทีนี้พิกษูในธรรมวิ น, นัยนี้พิจารณาเห็นว่ามิจฉายานมีทุกข์มากทั้งในภพนี้และในภพหน้ามิจฉายาณก็คือความรู้ความรู้ที่มันผิดความรู้ที่มันไม่ถูกต้องรู้ยังไงรู้ผิดรู้ที่มันไม่เป็นไปเพื่อความละทอนไปวางความรู้ที่เกิดขึ้นในใจแต่ว่ามันเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นอย่างเรานั่งไปแล้วเราไปคิด เราเนี่ยเป็นผู้เลือดผู้ประเสริฐเป็นเทวดามาเกิดเป็นจกักรพรรดิมาเกิดอะไรย้มันยิ่งผูกพันมากไปเรื่อยมันไม่ถอนไม่วางออกจากกิจของเราอันนี้เรียกว่ามิจฉาญานนะมิจฉาญานแบบนี้ท่านก็ให้ลอยทิ้งเสียไม่ให้เอาสุดท้ายมิจฉาวิมุตติภิกษุในธรรมวินยนี้พิจารณาเห็นว่ามิจฉาวิมุตติมีทุกข์มากในภพนี้มีทุกข์มากในภพหน้าจึงลอยทิ้งเสีย มิจฉาพมุติคืออย่างไรล่ะความหลุดพ้นที่ถูกต้องกับความหลุดพ้นที่ผิดถ้าความหลุดพ้นตามแนวของพระพุทธเจ้าคือการไม่กลับมาเวียนว่ายใจเกิดในภพนี้อีกแต่ทีนี้การหลุดพ้นของคนบางคนก็หลุดพ้นแบบผิดประเภทอย่างเช่นของพราหมณ์อย่างนี้เขาเข้าสู่การไปอยู่ร่วมกับเ mm hmm. ทพเจ้า ดังเดิมเข้าสู่ปรมาตาม์นยอย่างนี้ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจโดยละเอียดนะแต่ว่าโดยหลักการก็คือว่าเข้าไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าอาจจะเป็นว่าการไปยึดในองค์ฌานนั้นว่าเป็นนิพพานไงคือยังเข้าไม่ถึงนิพพานที่แท้จริงยังไม่ถึงความดับที่แท้จริงเรียกว่ามิฉาวิมุตติอย่างนี้ท่านก็ไม่ให้อาต้องเอาให้เป็นสัมมาวิมุตติ คือหลุดพ้นจริงๆพ้นจากการเบียวบายแต่เกิดจริงๆอย่างนี้แหละเรียกว่าการลอยบาปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าทีนี้ชานุโสนีพามนั่นนะ่ะพอฟังธรรมนี่แล้วก็สนเสริญธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอเป็นอุบาสกผู้ถึงพัฒนาใจตลอดชีวิตดังนี้อันนี้คือการลอยบาปในทางพระพุทธศาสนา มันก็ปนกลับมาสู่เรื่องของการปฏิบัติของพวกเราอันนี้ท่านพูดไปให้เป็นธรรมะยืดยาวสรุปลงความแล้วมันก็อยู่ในการปฏิบัติของเราเนี่ยแหละก็อยู่ในองค์ของศีลองค์ของสมาธิองค์ของปัญญาก็คือเรามีศีลแล้วเราก็ฝึกทําสมาธิทํากรรมฐานของเราให้มันเกิดขึ้นทีนี้การจะทํากรรมฐานสมาธิของเราที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย จะรักษาให้มันอยู่แะทำให้มันเจริญขึ้นเนี่ยมันเป็นของที่ยากบางทีบางคนทำสมาธิแล้วจิตเนี่ยเกิดมีแสงสว่างมีภาพให้เห็นเรือว่าเรียกว่าเกิดญาณทัศนะการเห็นอย่างนี้แต่ว่าของเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วสักพักเดี๋ยวก็ดับไปสูญไปไม่ตั้งอยู่ได้มั่นคงถาวรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า ท่านจึงตรัสสอนพระอนุรุทะว่าทถาคตพิจารณาดูเหตุที่ว่าทําไมสมาธิที่มันเกิดขึ้นแล้วนั่นแหะมันถึงเสื่อมไปมันถึงไม่ตั้งอยู่ได้ท่านก็แสดงเป็นลําดับไปว่าเหตุที่มันเสื่อมไปนั่นแหะเพราะความสงสัยลำดับแรกเวลาเรานั่งเข้าไปแล้วจิตกำลังจะสงบกําลังจะวูบวูบูบลงไปเอาสงสัยขึ้นมาอี้มันคืออะไรนะ เมื่อเราเกิดความสงสัยสมาธิก็เคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ในสมาธินั้นได้เพราะนั้นพระธรรมคดเจ้าจึงบอกว่าเราต้องทำไม่ให้เกิดความสงสัยไม่ให้มีวิจิกิจฉาไม่ให้เกิดความสงสัยสมาธิมันจึงจะอยู่ได้ต่อไปไม่สงสัยแล้วมันก็ยัง เกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักเดี๋ยวเสื่อมไปอีกพระองค์ก็พิจารณาว่าทําไมจึงเสื่อมไปจึงเห็นว่าเสื่อมไปนั่นอ่ะเพราะว่าไม่มีมนฑสิการมนฑสิการคืออะไรคือเราปล่อยเราปล่อยกรรมฐานของเราเราไม่ทําไปในใจไม่ทําไปทั้งวันคือทําแล้วก็ออกไปดําเนินชีวิตตามปกติแล้วก็ปล่อยอารมณ์ไปตามรูปเสียงกินรสต่างๆที่ มันกระทบเข้ามาเราก็ไม่ได้นึกอยู่ในคำบริกรรมของเราเรียกว่าไม่มีมานาชิการเมื่อไม่ทำมานาชิการนั้นจิตก็เคลื่อนจากองค์สมาธิเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราต้องเป็นผู้หนึ่งไม่วิจิกิจชา้าแล้วก็ต้องทำมานาชิการคือนึกในใจอยู่เสมอในองค์กรรมฐานนั้นมีสองอย่างนี้แล้วทำภาวนาไปจิตก็สงบแต่สักพักมันก็ยังเสื่อมอีก ทีนี้พระองค์ก็พิจารณาว่าเพราะเหตุใดจึงยังเสื่อมอีกอยู่จึงได้ความว่าเพราะถีนะมิทะคือความง่วงเงาวหานอนความท้อแท้ความขี้เกียจถีนะมิทะมันรวมกันถีนะก็ขี้เกียจมิทะก็ข ม, ม, ม, ม, วม่วงคือจิตมันขี้เกียจจิตมันไม่อยากบริกรรมจิตมันไม่อยากปฏิบัติคือบาจาในใจของเราน่ะยจะคิดว่าเราจะทำแหละ เราจะทำแต่ตัวจิตมันขี้เกียจมันไม่อยากทำเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็จะต้องทําใจของเรานี้ไม่ให้มีวิจิกิจฉาไม่ให้มีอมาตชิการและไม่ให้มีทีนามิทะพยายามไม่ให้ทีนามิทะเข้ามาครอบงำทีนี้ต่อไปเราไม่มีสามอย่างนี้แล้วทาไปจิตก็สงบสงบแต่สักพักก็ยังเสื่อมอีก นี่ทำไมมันถึงเสื่อมพระองค์พิจารณาว่าเสื่อมเพราะว่าความบาดเสียวความบาดเสียวหรือความบาดกลัวเหมือนอย่างว่ากาหนดลมให้ใจเข้าลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าเลยะเอียดเข้าเอา้าเหมือนใจจะขาดเมื่อเหมือนใจจะขาดแล้วเกิดความบาดเสียวคือสะดุ้งกลัวตายขึ้นมาเมื่อสะดุ้งกลัวตายแล้วจิตก็เคลื่อนจากสมาธิเราจึง ไม่สามารถดำรงสมาธิอยู่ได้เพราะนั้นก็ต้องไม่สะดุง้งไม่บาดเสียวทีนี้รักษาสี่อย่างไม่ลังเลสงสัยไม่ปล่อยคำบริกรรมไม่ง่วงงาวเข้านอนไม่สะดุง้งไม่บาดเสียวรักษาสี่อย่างนี้สมาธิก็ยังทรงอยู่ได้สัตพักความเสื่อมก็เกิดขึ้นอีก เมื่อความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วทิจารณาจึงเห็นว่าความตื่นเต้นเป็นเหตุให้จิตเสื่อมตื่นเต้นเพราะอะไรบางคนไม่เคยได้พบสมาธิมันกำลังจะเกิดขึ้นมาแล้วก็ตื่นเต้นใจเต้นตุบตุบตุบตุตุตตตตขึ้นมาเหมือนดีใจว่าจะได้พบขุมสมบัติท่านอุปมาเหมือนว่า บุคคลเดินทางไกลไปเจอขุมสมบัติห้าขุมก็เกิดความดีใจกระโดดโลดเต้นนั่นแหละความดีใจที่เรากำลังจะได้สมาธินั่นน่ะก็เป็นเหตุให้สมาธิเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วเราก็ไม่สามารถดำรงสมาธิอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับมาอีกว่าเราต้องไม่ห ล, ลังเหลสงสัยไม่ทิ้งคาบริกรรมไม่ง่วงงาหัวนอนไม่หวาดกลัว ไม่ตื่นเต้นจากนั้นทรงห้าอย่างนี้อยู่ดำรงสมาธิไปความเสื่อมก็ยังเกิดขึ้นมาอีกเมื่อความเสื่อมเกิดขึ้นมาอีกแล้วนั้นพรองคก็พิจารณาว่าพ้อเหตุใ ด, ดมันยังเสื่อมอีกอยู่จึงพบว่ามันเกิดความเสื่อมขึ้นมาได้นั้นเพราะเราปาราบ ความเพียรมากเกินไปฟ้าุกความเพียรมากเกินไปอย่างเช่นอยากได้มากๆมันก็บังคับกิจเหมือนตั้งใจจดจ่อเพ่งขมิงเหมือนกับเรามีนกมาตัวหนึ่งนกคุ้มอยู่ในมือเราอยากจะให้นกมันอยู่แต่เราก็บีมันแรงเกินไปสุดท้ายนกตายสมาธิก็เหมือนกันถ้าเพ่งมากเกินไป ก็ไม่สงบจิตก็เคลื่อนจากสมาธิท่า น, นบอกว่าปรารบความเพียรมากเกินไปก็ไม่สําเร็จจากนั้นพงษ์ก็บอกว่าเมื่อเราไม่ปาราลบความเพียรมากเกินไปแล้วทรงสมาธิได้สักพักมันก็ยังเสื่อมอีกอก็เลยบอกว่าเอเพ่ออะไรยังเสื่อมอีกเหตุที่เสื่อมอีกเพราะปรารบความเพียรหย่อนเกินไป เพลงมากเกินไปก็ไม่สำเร็จหย่อนเกินไปคือปล่อยอารมณ์มากเกินไปก็ไม่สาเร็จอีกไม่สงบอีกเหมือนกับเราจับนกไว้ในมือแต่เราจับห ล, ลวมๆพราอมันหลวมเกินไปนกมันก็บินหนีเพราะนกบินหนีแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าจิตเนี่ยมันก็ไม่สงบมันก็เคลื่อนจากองค์ของสมาธิจากนั้น พระ อ, องค์ก็แสดงต่อไปว่าถ้าเรามีทุกอย่างทุกประการแล้วที่ว่ามานั้นมันยังเสื่อมอยู่นี่มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าเราเกิดความเห็นว่ามันแตกต่างกันคือเหมือนว่าจากสภาวะที่เรากำลังอยู่ธรรมดาเนี่ยเสียงข้างนอกรับรู้รับรู้ถึงความเจ็บความปวดของร่างกาย พอจิตมันกำลังจะเคลื่อนเข้าไปสู่ความสงบกาลังจะดับปุ๊บอะมันเกิดความรู้สึกว่ามันแตกต่างทำไมมันต่างกันทั้งนี้ไมมันสงบขึ้นมาอ้าพอเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นจิตก็เคลื่อนจากสมาธิอีกพอจิตเคลื่อนจากสมาธิต้ก็บอกว่าเราต้องไม่คิดให้มันแตกต่างกันจากนั้นก็ยังมีเหตุให้เสื่อมอีกคือ เสียงกระซิบของความอยากความอยากที่มันคอยกระซิบในหูของเราเราทำไปให้จิตสงบพอสงบแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไม่นะอะไรที่มันละเอียดกว่า น, นี้อะไรที่มันดีกว่า น, นี้มันยังมีอีกไหมยอยากจะให้มันสงบกว่า น, นี้อยากจะให้มันอยู่ได้นานกว่านี้อยากจะให้มันวิเศษตัว น, นี้มีอีกไหมพอความอยากนี่เกิดขึ้นปุ๊บสมาธิของเราก็เสื่อมออกมาจากฐานอย่างนี้ทํากอ ว่าไม่ได้เราต้องไม่ให้ความอยากมันเกิดขึ้นจนสุดท้ายก็คือว่า mmm. เมื่อเราพยายามทุกอย่างไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันยังเสื่อมอยู่เสื่อมเพราะอะไรเสื่อมเพราะเราเพ่งมากเกินไปเพ่งรูปมากเกินไปทัานบอกว่าเพ่งรูปมากเกินไปพอเราเพ่งรูปมากเกินไปหมายความว่าจิตของเรา มันไม่ปล่อยกายมันไม่ยอมบางกายมันจะยึดจะเกาะจะติดอยู่กับกายนั่นอันนี้ในความหมายหนึง่งแล้วก็เวลาองค์สมาธิหรือเกิดนิมิตขึ้นมาแล้วจดจ่อเพ่งเข้าไปมากเกินไปมันก็หายอย่างคนเล่นกระสินเนี่ยถ้าจ้องจะเอาให้ภาพมันเกิดหลับตาปุ๊บมันหายแต่ถ้าเราจ้องกับทวนกระแสภาพมันก็จะอยู่ คือไม่ได้เพ่งไปหาลูกเพงเ่งก็หาใจคาบก็จะอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าการเพ่งลูกมากเกินไปก็เป็นเหตุให้จิตนี้ไม่สงบแต่ถ้าเมื่อเรารักษาทุกกระบวนการแล้วตั้งแต่ความไม่ลังเลสงสัยรักษาความบริกรรมไว้ไม่ปล่อยไม่มีความงอเงาเข้านอนไม่สะดุ้งหวาดกลัวไม่ตื่นเต้นที่จะเกิดสมาธิ ไม่มีความดำ่ริชั่วที่เกิดขึ้นมาไม่เห็นว่ามันแตกต่างกันแล้วก็ไม่ไปตามอำนาจของความอยากไม่เพ่งมากเกินไปไม่ปาราบกควมเพียนมากเกินไปไม่ย่อหย่อนมากเกินไปสมาธิที่เกิดขึ้นของเรามันก็จะสามารถทรงตัวอยู่ได้แล้วก็จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจนสามารถทรงสมาธิได้หลายแบบสมาธิบางอย่างมีวิตกวิจารหมายความว่า ต้องบริกรรมก่อนบริกรรมสัก่างแล้วเข้าสู่ความสงบได้บางอย่างมีปิติทำสมาธิแล้วเกิดปิติขึ้นมาท้งเช่นว่าความอิ่มกายอิ่มใจน้ำตาไหลกายโยกกายไหวกายหนักกายเบาขนลุกขนพองเหมือนมีอะไรไตยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เกิดความสงบเป็นเอกขาตาเป็นอุเบกขา ขึ้นมาในใจคือการวางเฉยเป็นหนึ่งอย่างนี้ถ้าเราสงได้อยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าองค์ของสมาธิของเราก็จะมั่นคงทั้งหมดนี้คือสมร t แล้วนำไปสู่การเจริญวิปัสสนาคือย้อนกลับมาเมื่อมันถอนออกมาแล้ว น, นนะการเจริญวิปัสสนาเนี่ย ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้สองแบบแบบเจตวิมุตต์กับแบบปัญญาวิมุตต์แบบเจต ว, วิมุแบบมแบบตต์คือแบบที่หลวงปู่ทองอินสอนเราคือพอจิตสงบได้กำลังเต็มที่แล้วถอนออกมาแล้วตั้งคำถามอย่างเช่นว่าถอนออกมาแล้วถามว่าทำไมเราถึงเวียนไหวใจเกิดเพราะอะไรแล้วเราก็สงบลงไปอีกกำหนดจิตสงบอีกให้จิตตอบเอง ให้จิตนี้ตอบเองเพราะว่าจิตนี้บันทึกทุกอย่างไม่หมดตั้งแต่อดีตชาตินับไม่ถ้วนบันทึกไม่หมด mm hmm. เมื่อจิตนี้มีกําลังแล้ว mm hmm. ก็จะสามารถตอบคําถามให้เราได้เมื่อตอบคําถามนั้นนะขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดญาณเกิดญาณเกิดญานนณรัตส mm ุณ hmm. แต่ทำไปเรื่อยเรื่อยมันก็จะชำะระล้างจิตออกคําถามคําตอบมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆถ้ามันไม่เกิด ยังไม่เกิดก็ถามอีกสงกบลงไปอีกเอาจนกว่ามันจะตอบขึ้นมาอันนี้หลวงปู่สอนไปอย่างงี้อีกประเภทหนึ่งก็คือกำหนดพิจารณาเลยโดยการนึกคิดนำก่อนนึกคิดนำไปอย่างเช่น ด, ดูร่างกายก็นำไปดูผมขนเล็บฝันหนังก็ดูนำเข้าไปเรื่อนำไปแล้วจนมันเกิดภาพฉายขึ้นมาให้เห็นที่เรียกว่ายานรัศนะเห็นในตัวเห็นในร่างกาย เห็นโดยรอบทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังทั้งข้างมนเห็นแล้วเกิดการปล่อยวางอารมณ์ไม่ยึดไม่ถือมันในร่างกายอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดยานรัศสนะอีกแบบหนึ่งที่ว่าโดยใช้ปัญญาถ้าพิจารณาโดยใช้ปัญญาเนี่ยก็จะคิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆเหมือนกับการตัดต้นไม้ถ้าเป็นเจตวิมตก็คือถอนรากแก้วเพียงครังเดียว หลุดไปทั้งต้นเลยแต่ถ้าเป็นปัญญาพิโมตนี่ค่อยๆพิจารณาตัดกิ่งกา้านสาขาออกไปทีละนิดทีละน้อยตัดออกไปตัดต้นตดขุดรากถอนโคลนไปทีละนิดทีละน้อยจนตายทั้งต้นตอย่ทำไมคขาบอกกิเลสเล็กกิเลสน้อยของเราส่วนไหนที่มันหลบซ่อนอยู่ในใจของเราเป็นความโลภความโกรธความหลงความยึดถือยึดติดในเรื่องอันใดยกขึ้นมาพิจารณาเป็นเรื่องไปเรื่องไปจนจิตนี้มันยอมรับ พิจารณาจนมันยอมรับถ้ายังไม่ยอมรับก็บพิจารณาซ้ําแล้วซ้าเล่าไปเรื่อยๆจนกว่าจิตนี่มันจะปล่อ ย, ยาวางค่อยๆไปอันนี้เรียกว่าแบบปัญญาวิมุตติก็มีอยู่สองสาอย่างนี่แหละที่เป็นงานที่เราทําหลังจากที่เราได้ความสงบแล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านพิจารณาหลายๆชั่วโมงนั่งหลายๆชั่วโมงหลวพ่อท่านก็สอนว่าท่านนั่งก็ น, นั่งแต่นี้แหละสงบสลับกับคิด คิดแล้วเหนื่อยแล้วก็กลับมาสงบกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วเราก็มาดูใจของเรามันเบามันบางมันปล่อยมันวางได้อย่างไรถ้ามันบางมันมันบางมันเบาขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าเราปฏิบัติถูกเราไม่ไปถือเอาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติมาเป็นสารณะไปเป็นสาระอ่าอย่างท่านบอกว่าอทำในนี้ มีลาบส ก, กัละเป็นสะเก็ดเป็นเปลือกนอกมีศีลที่สมบูรณ์เป็นเปลือกมีสมาธิเป็นกะพีมีปัญญาเป็นเนื้อแล้วก็มีวิมุตเป็นแก่นก็คือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นชานสมาธิเป็นฤทธิ์เป็นอะไรท่านให้เกิดได้นะแต่ท่านไม่ให้เอาอย่นันเอง เกิดได้จะใช้ก็ใช้ได้อยากจะใช้เมื่อไหร่ก็ใช้แต่ว่าไม่ได้ถือเอาไปด้วยเพราะสิ่งที่จะพาเราไปสู่ความไม่มีมุดหลุดพ้นมันคือการปล่อยวางวางแล้วก็อยู่กับสติสติในสติมันไม่มีตัณหาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเป็นปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันแต่ก็ไม่ใช่จิตเพราะจิตนี่เป็นตัวนึกก็คิด ตัวรู้แต่ท่านก็ไม่ได้เอาเอาสติให้มีกำลังถ้าเราฝึกสติเรื่อยๆแล้วเราก็จะสามารถละทอนปล่อยวางความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราละถอนปล่อยวางการยึดมั่นถือมั่นรูปร่างกายนี้ละทอนอนุัยทั้งสิบที่เป็นเครื่องวัดว่าความเป็นอริยะบุคคลนั้น ตั้งแต่สักะยะทิฏฐิวิจิกิจชา ศ, า, าศิลพตประมาทอย่างนี้เป็นต้นที่เป็นขั้นของพระโสดาบันสามอย่างการยึดถือว่าขันห้าเป็นเราเความลังเลสงสัยในพระรัตนาตราัยในพระธรรมวินยัยในความหลุดพ้นว่าเป็นของจริงหรือไม่แล้วก็ความรูปคำในหลักปฏิบัติคือ มัวแต่ไปสนใจเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ทางให่การปฏิบัติแล้วก็การทำโลภะโทสะให้เบาบางลงไปการละลาคะรูปะลาคะอรูปะลาคะกามาลาคะละความยึดถือตนละมานะละตัณหาละอวิชาอย่างนี้แหละเรียกว่าละสัญญชนสิบก็อาศัยอำนาจกำลังของสติกำลังขอ ง, งสมาธิ เป็นตัวที่จะทำให้เราไปถึงได้เพราะนั่นแหละฟังธรรมะก็เพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติของเราฟังเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อเราจะเอาไปปรุงไปแต่งต่อเหมือนเป็นวัตถุดิบที่เอาไว้ใช้เวลาทำสมาธิของเรามันเกิดสภาวะนั้นขึ้นมาก็พุทธเจ้าท่านว่า ย, ยังไง จะตกใจหรือจะกลัวหรือจะอะไรเราก็แก้ไขไปเป็นเบาะเป็นลําดับลําดับไปการปฏิบัติของเราก็จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นสุดท้ายเราก็จะสามารถผลทุกได้ตามสมควรแก่การปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นวันนี้แสดงธรรมะพอสมควรเก็บเวลาเอวังก็มีด้วยประการชาชนี